ยกสติขึ้นจับลมหายใจซะก่อนเป็นอันดับแรกสองถ้าหายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจยาวทั้งขาออกและขาเข้าสามถ้าหายใจสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นทั้งขาออกและขาเข้าสีท่ทำจิตตนเอง